เดี๋ยวเราคงจะมาต่อนเนื่องกันที่เรื่องต่อไปครับจากสายของคุณบอยหรือว่าคุณบอยฉีดตลวกที่เราคุ้นเสียงของเขาเป็นอย่างดีครับวันนี้คุณบอยจะมาพร้อมกับเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งที่รับมาตอนที่คุณบอยทำงานเปิดบริษัทเล็กๆในการฉีดปรวกนั่นเองใช้ชื่อเรื่องว่าลูกน้องต่างด้าวครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้าย ของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ละเป็นเรื่องที่แปดครับสามชั่วโมงฟังกันไปแดเรื่องมาลาทอนจริงๆและดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไป เรื่องของลูกน้องต่างด้าวครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับผู้ใหญครับโอ้โหวันนี้มาต้องบอกว่าแต่ละคนนี่เสียงชัดเจนมากๆเลยผมชอบที่เนี่อ่เสียงโทรศัพท์มันชัดอ่ะเออนะฮะคุณบอยตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเออโทรมาจากคอนโดผมเองนี่แหละครับอยู่ที่คอนโดนะใช่ครับนะคะแล้ววันนี้ได้อ่ฟังหรือว่าดูรายการอยู่หรือเปล่าผมเอาตรงๆนะพี่คือตอนนี้ผมผมไม่กล้าฟังอะไรเลยผมลอง รอพี่โทรมาเงือบเลยเนีะอ๋อกลัวกลัวผีหรืออะไร <laughs> <c oughs> ออวันนี้ผมผมอยู่คอนโดคนเดียวด้วยอ๋ออยู่อยู่บ้างสักคนอยู่คนเดียวก็เลยไม่ฟังแล้วมันมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบมันค่อนคว้างรละหล่อนิดนึงจริงมากครับผมคือที่คอนโดผมเนี่ยตรงตรงตรงกลางคอนโดมันจะเป็นลิฟต์ขึ้นลงนะฮะแล้วมันจะมีปิดกระบาดดีไฟครับพอดีว่า มันมีรถเข็นเก่าๆรถเข็นคันนึงมันจอดทิ้งไว้เป็นรถเข็นลักษณะแบบไหนเป็นรถเข็นผู้ป่วยนี่แหละครับรถไอวิวแชร์นะใช่ครับผมแล้วมันมันมันเก่าๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวิวแช่ไปอยู่ในคอนโดนั่นสิผมงงมากเลยแล้วทําไมเจ้าพนักงานก็ไม่เอาออกคือยามเขาไม่มีใครกล้าขึ้นมาเอาออกเลยครับเพราะว่าเขาให้ผลว่ายังไม่ทราบว่าเป็นของห้องไหนแล้วไม่ทราบว่าห้องไหนเขาจะใช้หรือเปล่า แค่นั้นเองครับแล้วคือมันน่ากลัวกว่านนะั้นตรงนี้ว่าก่อนที่ผมจะเห็นวิวแชร์เนี่ยคือผมได้เสียงม า, าประมาณสองสวันแล้วครับช่วงตีสองตีสามลูกมาคล้องนะผมได้ยินเสียงรถเข็งอ่ามันเข่งนะพี่ <c oughs> เข่งเบาๆอ่ะเสียงวิวแชร์มันจะดังปิ๊ดปิ๊ดชเสียงร้อนนั่นแหละอ่าอย่างนั้นเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่าอุลิปกับวิวแชร์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับห้องเราขนาดไหน ผมอ่ะห้องผมมาอยู่ห้องสุดท้ายเลยแต่จากห้องผมสุดท้ายเนี่ยไปถึงตรงลิฟต์นี่ห่างกันประมาณสองสามสี่ประมาณห้าห้องด้วยกันอ่ะค่ะเท่านั้นเองเฮ้ยมันน่าแปลกรือว่าใครเอามาวางไว้คือคือถ้าเป็นเจ้าของอะ่ะควรเอาไปเก็บไว้ในห้องตัวเองถูกป่ ะ, ะใช่ไม่ควรมาวา้าที่ลิฟต์ โอ้แล้วจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเป็นสิทธิ์ของทางคอนโดเลยนะคือมันเป็นของที่ไม่ควรจะเอามาไว้ตรงเนี้ยคือใครผ่านไปผ่านมาเขาจะกลัวเอานะโอคือถ้ามันถ้ามันอยู่ในโรงพาบาลอ่ะมันมันมันจะมันจะเฉยๆไงเพราะว่าโรงบาลก็จะใช้แต่นี่คอนโดนะเฮ้ยใช่เออป้าเออแล้วก่อนก่อนที่ผม จะได้คุยกับพี่เนี่ยถ้าบภักดีผมได้ยินเสียงรถเหมือนกันเติมเลยที่เสียงแบบวิบวิบวิบวิอะไรเงี้ยเบาๆไม่เปิดเราไปดูอ่ะพี่ผมเปิดเราไปดูแล้วแต่มันไม่มีอะไรจริงปะจริงๆครับแต่มันได้ยิ่งดิ้นเสียงอ่ะตัวปกติแล้วเนี่ยประมาสัปตีหนึ่งปีสองเนี่ยคือทางวันโดผมชั้นผมนะครับก็ยังจะมีพวกคนเดินไปเดินมาคือส่วนใหญ่ มัใกล้กับตลาดเนี่ยครับคนเดินสัญจรนะแล้วก็จับดิบหน่อยม <Country. S 2> ัน yup. มีคนเดินทีนี้ก็ตั้งแต่สี่ทุมจนถึงฮะทุ่นี้ไม่มีคนเลยโอ oh ้โหนี่ไม่เข้าเรื่องนี่ไม่เขาเ้าเรื่องผีเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้แค่เป็นเืินเองนะหเลยว่าเที่ที่ที่ห <u> ายกังไปเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเดคุณคุณคพอยส่งรูปมาฮะคือรูปเนี่ยมันมันอยู่ในในเฟซผมอยู่แล้วครับทางทีมงานแล้วจะเห็นอยู่ ไอ้บ้าคนลุกว่า <c oughs> เข้าวีแชร์เหมือนไปขั้นประตูหนีไฟเอาไว้อ่ะอ่าใช่ครับอย่าันเลยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ใช้รถจริงๆอ่ะเขาไม่ควรมาจอดตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่ที่จอดวีแชร์อ่า <c oughs> ใช่ครับเอออ๋อหด็ก เ, เขาจอาวีแชร์ม า, มาตั้งประตูไม่ให้ประตูปิดนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังดูฮะผ่านผ่านกล้องเลยนี่อ่ะดูผ่านตรงนี้เลยดูในไร้สดตรงนี้เลยนะฮะในะผมให้ดูในกล้องเลยเนี่ยคือเนี้ยดูไม่ออกหรอว่าเป็นที่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับ อ่าันอ่าประตูหนีไฟแล้วก็จะมีวิลแชร์เนี่ยจอดแบบว่ามันมันถูกบีบไปเกือบครึ่งอ่ะมันพับได้อ่ะอ่าใช่เออโหถึงน่ากลัวอ่ะผมผมผมถ่ายตอนเช้าผมก็ไปทางานเลยน่ากลัวใจหมดเลยน่ากลัวนะครับเออเอาเเอานี่จะไม่ได้เข้าเรื่องผีเลยนะอันนี้ก็เร่องวีลแชร์อย่างเดียวนะนะฮะอ่ะมาว่าถึงเรื่องของลูกน้องต่างด้าว นะครับเรื่องราวเรื่องนี้ไปไหครับเรื่องนี้อย้อนกลับไปสมัยตอนที่ผมยังทำกับเพื่อนอยู่นะฮะบริษัทกันจักรบแก่ทีเนี้ยคือทางตัวบริษัทเนี้ยเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มขยายงานขึ้นนะฮะแล้วลูกค้าก็เริ่มมากขึ้นทีเนี้ยเราก็เลยจ้างลูกน้องมาประมาณคนสองคนด้วยกันอืมนะครับอพอมาดูๆแล้วเนี่ยงานที่มีกับลูกน้องที่มี่ยมันเริ่มไม่พอผมก็เลยให บอกให้ลูกน้อยคนบอกว่าหาคนมาช่วยสักคนได้ไหมอย่างเงี้ยคนรู้จักกันก็ได้ไว้ใจกันหน่อยอะไรเงี้ยให้เขาหามาไม่จำเป็นจะต้องแบบคือขอให้ทํา ง, งานเป็นทางใ น, นและก็พยายามลูกน้องคนนี้ก็โอเคได้พี่เด ว, วมจัด ก, การให้ครับเกาไปได้คนหนึ่งมาครับเ อ, อเป็นผู้ชายฮะวางทมุมท้วมหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากมนะครับอืมเขาเป็นคนงานอย่างเดา นะฮะผมบอกประเทศไม่ต้องบอกประเทศเนอะอืมไม่ต้องก็ได้นะครับเป็นต่างดาวอือือเป็นคนงานต่างดาวนะฮะเขาชื่อเขาชื่อว่าชื่อว่าชออืมชอช้างชาอ่างแค่นั้นเองชอนะฮะคือเราก็องร่วมงานกันนะครับโดยรวมเนี่ทั้งหมดประมาณสองเดือนด้วยกันครับคือที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆของคนที่ชื่อชออืมนะฮะชอเนี่ยเป็นเป็นคนที่เงียบๆนะครับ แล้วก็คุยไม่ค่อเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเรื่องทํางานเรื่องอะไรเนี้ยเขาพยายาแข่งมากนะฮะเวลาไปบ้านลูกค้าอะไรเงี้ยคือผู้ประกาไทยไม่คก็ยชาดแต่เขาพยายามจะพูดเพื่อให้เป็นครับลูกค้าทุกคนก็รักเขาหมดเลยนะฮะแต่เขาจะมีนิสัยแตกประหลาดอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาชอบพูดคนเดียวอืเวลาทํางานหรือเวลาไหนพวกก็จะพูดคนเดียวพุ่ พ, พัพุมงพันแต่เป็นภาษาของบ้านเขานะฮะซึ่งเราก็สงสัยว่าเนี่ย งงทำไมพูดอะไรอะไรยังไงลองลองบอกนายเรสคือผมอยากรู้ว่าที่เขาพูดพู้เนี่ยเขาบ่นเรื่องการทํางานหรือเปล่าอเขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขาก็แค่พูดแบบคืมบั้มเฉยว่าเออเนี่ยนะดูนีงันแล้วก็เขาหลุดมาคำหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พูดตอบโต้ออกมานะนี่แกคือตัวชอเนี่ยเขาพูดหลุดหลุดพูดต่อควาว่าเขาก็พูดตอบโตกับผมเหมือนกันนะผมบอกใครพูดตอบโต้ด้วยออื เอ้ยคุยคนเดียวไม่ใช่หรออ ม, มีคนเหมือนมีคนพูดตอบโต้กับเขาอ่ออาบเงี้ยว่าอะคุยคนเดียวไม่ใช่หรอเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาบ้านเขาเหมือนคูดคนเดียวแล้วก็เดินขายไปครับคือเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะซึ่งขอเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยเพื่อนผมอีกคนห น, นึ่งเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นกันเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกตัวชอมาแล้วก็บอกว่า เฮ้เวลาไปทํางานเนี่ย เ, ออเข้าใจแหละพฤติกรรมของคนเนี่ยบางทีอาจจะมีลัาาากษณะนิสัยแบบนีที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ทีเนี้ยหลายๆคนที่เราร่วมงานกันนะลูกค้าเขาไม่เข้าใจหรอกว่าตัวเอาเองอะทําอะไรหรือกุยยังไงเดี๋ยวก็จะพาให้ลูกค้าเขากลัวฉะนั้นแล้วเวลาทํางานเนี่ยทำเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ให้ลูกค้ารู้เรื่องว่าเราเป็นคนตัดดาวครับอ่ะฮะเขาก็โอเคเขาก็ไม่นี่หลังจากนั้นเขาก็พูดน้อลง แต่ทีนี้มันมีนิสัยประหลาดอีกอย่างเลงที่มันโผล่มาซึ่งทาให้ผมกับเพื่อนเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มแขงและสงสัยนะฮรว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เขาขับรถได้อืมนะครับวันดีคืนดีเนี่ยขับขับอยู่ก็จอดทางทักกลางถนนเลยอืแล้วก็จอดทางถนนเสร็จเขาก็พยักหัวไปจากหัวไปจากหัว ที่แจ็คในภาพต่างนะครับคนเราเวลาจอดรถแล้วก็อยากขววงมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรออบอกให้ใครสักคนหรืออะไรก็ตามให้ข้ามถนนไปใช่ถูกแต่ถนนไม่มีใครโหคนรู้ว่ะเหรอไม่มีใครเลยแล้วลุกคือเขาเบรกปวดทิมเลยนะเขาบอกชอบจะเบรกยังไงจะเบรกทําไมมันไม่มีองไงไม่มีหมาตามหน้าไม่มีอะไรเลยเขาบอกอ้อนี่ผมผมให้ให้เขาข้ามให้เขาข้ามไปอะไรงี้ยใครให้ใครข้าม เขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็พูดภาษาแล้วพูดๆแล้วก็ขับรถต่อไปซึ่งเป็นอย่างเนี้ยบ่อนมากอืบ่อยมากๆ บ, บางครั้งบางครั้งไปตรงโคง้งไงพี่พอโค้งไปเสร็จเขาหยุดกลางโค้งเลยนะเขาหยุดกลางโค้งแล้วเขาไปยักหน้ายักหน้าแล้วก็พูดภาษาเขาอะอออืมเสักพัก น, นึ่งแล้วเหมือนเขามองอะไรสักอย่างลอยตามไปออืคือแววตาเขาอะลอยไปตามอะไรจะตามที่มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะึผมกับเพื่อนก็ไม่รู้อืนะฮะ แล้วก็นิสายแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆอคือบางทีเนี่ยคือหลังจากที่เขาคุยกานเดียวหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นเครื่องเส้นหรืออะไรที่เขาเส้นอยู่ตามถนนเขาหยิบมากินเลยนะพี่เฮ้ยหรอเขาหยิบขึ้นมากินเลยแต่เพ<อ>ื่อนต็รีบาวว่าเฮ้ยทํานี้ไม่ได้บ้านเราเนี่ยตรงนี้ยเขาถือเหมือนเป็นเส้นที่ผีให้อะไรเงี้ยเจ้าที่ทจ้าทางเ ข, ข, ขาบอกว่า เขาให้เหตุผลว่าที่เขาหยิบนั่มาเทนเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองออหน่ากลัวคนแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วเออลงสูกรู้สึกว่าอผู้ชายันนี้เริ่มไม่ปกติหรือเปล่าอประสาทหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไปถามกับเพื่อนที่ที่นํานําตัวชองเนี่ยมาทํางานอเขาก็บอกว่าเ้าไม่แต่พี่ครอบครัวก็รักเขาเขาก็รักครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ปล่อยไปทีเนี้ยที่ใส่สุดท้ายที่มันเป็นที่ใส่ทีแ่แปลกประหลาดที่สุดของเขานะครับอีกอย่างหนึงก็คือเหมือนก <c oughs> ับว่าเขาจะไปแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างตรงพื้อพี่ตรงนั้นผมจะอธิบายยังไงด <c oughs> ีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือในซอยใกล้ๆ ก, กับอัติเนี่ยมันมีเหต เหมือนเสกแบบฟังกันอะไรเงี้ยนะฮะพอตกดึกเนี้ยจะมีแบบเหมือนเหมือนยีดเสียงคนวุยวายวอยวอกมาพวกผมก็พวกผมอ่ะเพื่อนแล้วก็ออกไปอืออกไปดูปรากฏว่าชอเนี่ยเอามีดทํำลายร่างกายตัวเองออืทํำลายร่างกายตัวเองครับแล้วก็บอกว่าแล้วเขาก็ตะโกนออกมานะครับว่าพี่พี่เขาทําแบบเนี้ยเขาแทงแบบเนี้ยเขาแทงแบบเนี้ยอเขาแทงแบบเนี้ยแล้วเขาก็เอามีดแตะแทงโดยบอกเตี้ยพี่เขาแทงนี้ก็แทงนี้เลย แทอย่างนี้เลยผมแทงให้ดูแล้วเขาก็แทงตัวเองจริงๆอวันนั้นก็เลยต้องรีบพาพาตัวชทงเนี่ยคือไปโรงพยาบาลเพือ่อเยแผลดีที่ว่ามีดีแทงอะไรมันมันแทงแบบไม่โดนจุดสําคัญแล้วก็มไม่ลึกมาก อ, อย่างนั้นนะครับคือมันเหมือนกับว่ามีพิธีกรรมในการแสดงแสดงเหตุการณ์จง จ, จุดๆนั้น่ะที่เกิดเหตุเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วออือซึ่งมันไม่น่าปลอดภัยหลังจากร่วม ง, งานประมาณกันสองเดือน นะฮะสองเดือน ก, กว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยอไออย่างเงี้ยมันมันมันไม่ดีแล้วถ้าเกิดไปทไําวิธีแบบนี้ต่อนหน้าลูกค้าเนี่ยบางทีเดี๋ยวลูกค้าเขาจะตกใจเครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบแบบแง่คือไม่ไม่ไม่เชื่อถือหรือไม่ไว้ใจเราอีกอก็เลยมาคุยมาบอกอ้ยเดี๋ยววันเนี้ยพี่ชายเราทางานเราสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวพักงานก่อนคก็ ว, ว่างกันไปเขาก็เขาก็ตอบตกลงนะพี่เขาก็ตอบตกลงวันนั้น่ะ วัดงานประมาณตอนตีหนึ่งคึ่งนะครับทีที่หนึ่งนะฮะอยู่แถวตลาดเพาเนี่แหละแต่ผมไม่บอกพกัลละกันเพราะว่ามันคือแถวตราดเพาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสถานบัน เ, เนทิงเรื่งลงทนึ่งนะฮะอตอนนั้นก็เข้าไปเข้าไปกันทั้งหมดสามคนด้วยกันคือมีผม ม, มีรู้น้องคนหนึ่งแล้วก็มีตัวชอเ น, นีเ่แหละสถานที่มันทำทั้งหมดทั้งหมดห้าชั้นด้วยกันแล้วห้าชั้นนี้ก็จะแบ่งเป็นห้องซอยเหมือนกันเลยแบ่งเป็นห้าชั้นทีเนี้ย ด้วยความที่เราต้องเล่นนะฮะเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันคือให้ชอกับเพื่อนเพื่อนเขาเองอะทําไล่ลงมาทีละ<ม>ชั้นส่วนผมอะจะเก็บกว่าทั้งข้างล่างแต่ก็ขึ้นไปอันสองแล้วเจอแบบประมาณชั้นสามนะฮะอ<ม>ือยู่ดีๆเนี่ยตัวตัวเพื่อนเขาอะเพื่อนของชออะเขาวิ่งลงมาแล้วตะกรงไหวๆวอยๆเลยบอกพี่บอยพี่บอยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาช่วยหน่อย<ม>ขึ้นมาช่วยหน่อย<ม>ชออะผูกคอตาย จริงเหรอครับจริงครพี่อือบอกว่าชอบผูกคอตายพี่ผูกมาตายผูกก็รีบวิ่งกงันไปแล้วมันตกใจครับนะคะพี่คือเขาผูกคอตายจริงแต่ยังไม่ตายอืาอ่าคือผูกคอในลักษณะที่แบบว่าหมดหมดเหมือนใกล้ลงสุดท้ายแล้วออะืที่เขาผูกแบบพี่คืออ่าเขาเอาถังอ่ะพี่พถังที่ฉีดปั่นใถังฉีดปั่นมันจะมีสายเป็นสายที่นํำที่ที่สูบน้ําน้ํำน้าน้ำยา มาถึงตัวผู้หญิงที่เขาไปเอาตัวมีดอะค่อยๆเฉือนเฉ<อ>ือนไอตัวสายนะอะแล้วไปค้องกับกระมวแล้วผูกคอตัวเองแล้วคอยลงมาอ๋ อ, อทีเนี้ยผมก็ผมก็รีบเลยจัดแจงรีบแจ้ ง, จงความรีบนู่นนี่นั่นแล้วก็โทรบอกให้เพื่อนอะรีบพาพาไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลนะพี่สุดท้ายแล้วก็คือเอาเขาไว่าไม่ได้อะไรเขาก็เสียชีวิตไป คือไม่ทันหรอไม่ทันพี่สุดท้ายเพื่ไม่ทันอ่าฮะเพื่อนเขาก็ร้องไห้าใหญ่เลยร้ อ, องไห้าผมก็เลยเสงบเสถียารมณและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมไอลุกน้องผมเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี่กาลังฉีดจีด<ค>อยู่เนี่ยอยู่ดีๆชอ่อก็เดิน ม, มาหาเขาแล้วก็จ้องหน้าเขาเลยจ้องอหน้าเขาเลยแล้วถามเขาว่ามึงเป็นไถโห้แท้กลัวจังเลยอ่ะอหรอ ถามว่ามึงเป็นใครทีเนี้ยเพื่อนบอกว่าอ้าบถามมาได้มึงเป็นใครก็เป็นเรื่องหนึ่งไงแล้วทํากันไม่ได้หรออะไรเงี้ยสักพักเนี้ยชอเขาก็หันหลังแล้วก็เดินหายกลับไปือลักษณะลักษณะเี้ทางทางที่ทํางานเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะตรงแล้วก็จะเป็นทางโค้งครับคือทางมันเป็นลักษณะเหมือนตโตโอที่คือเดินยังไงก็เจอกันนะฮะแต่จะมีทางแยกซึ่งมันเป็นบันไดขึ้นลงเพื่อนเขาก็บวนเข้าไปทางขวาครับ ทีนี้พอวนเข้าไปเข้ามาก็ไ่ได้เอใจเลยอเพราะว่าความที่เขาไม่เป็นปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันทําให้เขารู้สึกชินก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเขาหันหลังไปอีกครั้งหนึ่งคือเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทที่ใส่สูทใส่เดทไท่แล้วเดิน <c oughs> ถือเชือกเข้าไปในห้องหนึ่งคือเดินดแบบัดเร็วมากเลยเดินยุบเข้าไปอะ่ะเขา ทำไมมีคนด้วยเหรอเลือถึง อ, อะไรเข้าไปเพก็เข้าไปดูปรากฏว่าเห็นเพื่อนกันนี่นแหละผูกคอยอยู่แล้วค้อยตัวลงมาแล้วก็แบบดิ้นดิ้นดินดิ้นอยู่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเหตุนในแว บ, บแรกอะ่ะคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนใส ส, สสู่ใส่อะไรเงี้ยเ ช, ชื่อเข้าไปแต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเห็นเป็นเพื่อนอเขาอ่ะผูกคอตายเขาก็ร้องไห้เสียใจจนสุดท้ายก็คือชอก็เสียชีวิตะฮเสียชีวิตแล้วก็นำศพ นำศพกลับไปให้ญาติของระญาติเขาประาพาพาศพกลับไปท่านเกิดเขาครับอด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยย้อนกลับไปที่ที่เกิดเหตุนะคร<ม>ัแล้วไปถามพี่อะไรนั้นเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่น า, นานนี้เองไม่ไม่กี่เดือนมันมันมีนักธุรกิจคนหนึ่ง<ม>ครับ เ, เข้ามาเที่ยวนะครับแล้วเขาได้ระบายกับอ่ผู้ที่ผู้หญิงที่ให้บริการคนหนึ่งน ะ, ะบอกว่าเขาเนี้ย ธุรกิจล้มละลายและกําลังจะโดนฟ้องอแทนเดิมเป็นหนี้อีกหลายล้านเลยเขาก็เครียดเขาอะไรอย่าเงี้ยส่วนปี๊ยเนี่ยเขาแบบไม่ต้องเครียดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยดูแลที่เองนั่นอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวหนูไปเอาผ้าก่อนพอกลับมาทีคือผู้ชายเนี้ยเขาปลูกป่าตายเรียบร้อยแล้วโอ้ยในห้องนั้นเลยเหรอใช่ครับในห้องห้องเดียวกับที่ชอเข้าไปปลูกโอ้หย ไม่กรีดทั้งตกเลยนะคือผมว่าผู้หญิงกลับมาเห็นสภาพนั้นยังไงก็กรีดครับผู้หญิงก็จะขีลาออกไปเลยดีเขาไม่ทําเลยที่าานั่นอาจารย์ก็คือเขากีาลาออกเขาไม่ทำที่นั่นเลยครั บ, ค, รบคือเขาสนิทกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่เป็นลุงพูนในกัดเขาสนิทผมคุยกันเหมือนพี่น้องเนี่ยพยายามตามหาผู้หญิงเนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่าคือเขาจริงนีจิตกิจจริงๆใช่ไหมมีจริงๆหรอเพราะว่าฟังจากปากคนเดียวอ่ะเราก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมก็อยากจะฟังจากตัวจริงแต่หาไม่เจออือ หายังไงก็หาไม่เจอแต่ทุกคนก็ยืนยันว่ามีคนนับธุรกิจเข้ามาจริงแล้วก็มาผูกคอตายที่ห้องนั้นจริงๆเป็นห้องเดียวกันช่ห้องเดียวกันด้วยเป็นั้องเดียวกัแต่เขามีอาการแปลกอยู่แล้วจริงๆนะคือเขาแปกอ่ะเขาแปลกโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราก็ไม่ได้คำตอบจากเขาไงว่าเฮ้ยตกลงแล้วคุณเห็นอะไรกันแน่เป็นอะไรกันแน่ ไม่รู้เขาเป็นอะไรพี่คือเขาแปลกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับมองตาขวางอย่างเงี้ยมองตาขวางแต่บางคือบางบางกิรยาบางอารมณ์บางเวลาเขาก็เป็นเป็นคนปกติคุยเล่คุยแก่แต่บางทีก็ไม่คุยเงียบไปเลยนะพ่อเป็นแบบนี้คุณบอยโทษนะได้สืบไหมครับว่าโทษนะฮะเขาเสพยาไหมไม่ไม่ไม่ไปเสพเลยไม่เสพด้วยไม่เสพด้วยเพื่อนเขาติดบุหรี่เพื่อนเขาสุบุหรี่นะติดเหล้าอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนเขา เพืนเขาสูปุหรี่ไงเขาก็จะเดินหนีเลยเขาบอกเขาเหนื่อยเหล้าก็ไม่กินเราก็ไม่กินเขากินแต่น้ำมันลมแล้วก็จะมีพิธีการแบบเนี้ยคืแต่คือผมตกใจตรงนี้ว่าแบบมันมีเครื่องเส้นอยู่ตรงพื้นอะบางทีก็จอดรถแล้วพวกวิ่งลงไปกินเลยโอ้หนักหนักจริงๆอาการหนักมากวิ่งลงไปกินวิ่งมึงมปเลยแล้วคือตอนหลังจากที่ อ่าติดต่อย่าเพื่อมาม า, มารับศพเนี่ยก็มันจะมีช่วงบางส่วรวันที่ได้คุยกันนะครั บ, รบผมก็ถามว่าพี่ทําไมชอเขาแบบมีลักษณะพฤติกรรมแบบนั<ๆ>้นไปเขาเขาเป็นคนขี้มากหรือเขามีปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าคเขาถึงเป็นคนแบบ น, นี้เขบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเขาเป็นเด็กดีมากแขันกระตันยูกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกอย่างเงี้ยครับ มันมีอยู่ช่ว ง, นงเนี่ยเหมือนเหมือนเขารับรับของอืเหมือนเขารับของมาครับห<ฆ>ลังจากที่เรารับของมาเนี่ยแล้วบูชาอยู่ดีๆเขาเก่เาของนั่นแ่ะกินเข้าไปเลยเฮยเหรอเขาเขาได้บอกว่าของนั่นคืออะไรอะ่ะอืมเขาบอกว่ามันเป็นลนักษณะเหมือนเป็นแท่งดำๆแต่ผมไม่รู้นะมันคืออะไรมันเป็นแท่งด ำ, ดำๆและะ้ว ย, ยาวๆประมาณ ยาวประมาณสี่สามสี่สามถึสี่นิ้วระมแล้วมันเป็นแท่งนำ้ำดบและในแท่งดําดำเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรอยอักษรในการเขียนของภาษาบ้านเขาอือนะครับเขารับขันแล้วเขาบูชาแต่วันดีคือดีเขาต้อคืนเข้าไปเลยข อ, อ, อคืนเขาไปเลยเสร็จคือบางทีก็มีพิธีกรรมแบบที่ผมเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งญาตเขาก็บอกมาเรียนตามทรงว่าเขาก็มีพิธีกรรมแบบที่ที่กว้งลาว่ามาแหละแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขา ปติเขาไม่มีอะไรไที่าอะไรเลยคือลักษณะแบบนี้มันเหเป็นการโดนของเขา้าเหมือนหมายถึงว่าของเข้าตัวของเข้าตัวเออเป็นลักษณะอย่างนี้เลยอ่ะคือของเข้าตัว<อ>แต่ไม่รู้ว่าเขาโดนแข น, แนไหนไปไงและไอ้ไอ้ไอ้ที A ่แบบ เจอเหตุการณ์ไปทําตามเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอันนี้มันคืออะไร่ครับก็ใช่อะสิเราเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกับเขาเขาเห็นเขาจูนติดเขาจูนติดเลยว่าเขาอาจจะเคลิ้มตามเข้าไปหลุดอยู่ในวังวนนั้นแล้วก็ไปทําเหมือนไปเป็นตัวตายตัวแทนนั้นอะแต่มันชแบบเดียวกันไปเออแต่มันช็อกมากนะคือเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยคือกลายเป็นว่าชอทุกวันนี้เสียไปแล้วนะ ใช่ครับเสร็จไปแล้วค่าตัวตายโอ้เมื่อกี้ผมผมตกใจอ่ะคือเพื่อนจังหวะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าทํางานอยู่แล้วมีลูกน้องวิ่งลงมา พ, พ, พี่พี่พี่ช่วยช่วยกันหน่อยเพื่อนอีกคนนึงพูคอตายจังหวะนั้นคุณผู้คุณผู้ฟังจะทํำยังไงผมว่าเป็นใครใครก็ช็อกอ่ะช็อกคาบีทิ้งของวิ่งนง้มาแบบอยังไม่รู้เลยว่ามันมันมันจะเป็นอะไรข้างบนอะไรยังไงครับวิ่งมาตกใจอพี่แล <คน S 1> ้ว<อ> ขึ้นไปแล้วเห็นภาพตกใจหมดอือน่ากลัวแล้วอะยังยังจําได้อยู่ว่าเป็นยังไงเลยงไอมาปิดท้ายได้แบบน่ากลัวแล้ว่าคุณบอยนะะคุณบอยก็ยังคงเป็นคุณบอยอยู่วันยังข้ามครับมาทีไรนี่แบบโอ้เฮ้ยแจะเรื่นี้ผมฟังแล้วโอหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวผมกลัวคนแบบนี้นะผมกลัวคนลักษณะแบบเนี้ยคือเป็นคนที่เราคุยกับเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ใช่ครับเหมือนคุยคนละภาษาใช่ใช่ประมาณนั้นเลยอเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้ค่อยอยากคุยกับเราอ่ะเหมือนเขาอยากไปคุยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฟังแล้วแบบตีตเขาพูดคนเร็วนี้โอก็หหลอนมากพฤติกรรมเขาแปลกมากนะครับโอ้คนต่างน้าถ้าเป็นประเทศเนี้ยเขาจะเป็นอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะเพราะเมื่อกี้จากจากสำเนียงที่คุณบอยพูดแทน ที่คุณชอกราพูดอ่ะสำเนียงออกแล้วผมพอจะเดาออกว่าเป็นคนประเทศไหนประเทศนี้ผมว่าพอพูดประเทศขึ้นมาคนจะรู้เลยว่าที่เนี้ยเขาจะมีเรื่องของของอะไรนุณเยอะมากไทยยังกลัวเลยฮะแต่เขาก็กลัวของไทยเหมือนกันนะผมเคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ ห, หลายคนเขาบอกว่าไม่ใช่ใชไม่ใช่เราตัวของเขาอย่างเดียวเขาก็กลัวของเราเหมือนกันของเขาสายทำของเราสายแก้ ประมาณนี้องเลยครับออของเขาสายรทำงงถูกต้องฮะของเราจะเป็นสายแก้เขาก็จะกลัวเราเแล้วแก้ในที่นี้แก้คือแก้ทั้งหมดแล้วย้อนกลับไปหาเขาด้วยใช่เออไป <นะ S 2> ดำอีกกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเอเๆๆอออน่ากลัวน่ากลัวนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันตายทั้งหมดเลยในจบตรงนี้แต่คุณบอย คุณบอยยังต้องอยู่กับวิวแชร์ <c oughs> ยังไม่จบนะพี่ดิวณ <c oughs> ตอนนี้ยมันก็ยังจอดขวางประตูหนีไฟนั่นอยู่ป่ะยังจอดอยู่ครับยังจอดอยประตูหนีไฟนั้นก็เ ป, เปิดอยู่เออผมไม่รู้ผมเอวิสตาเปิดออกไปดูเน่อยอย่าเปิดไปดูเลยคุณคุณบอยผมว่ามันเสียสุขภาพจิตอ่ะผมว่าต้องรวมตัวกันแล้วไปบอกท้งตึกเถอะบอกเออเอาออกไปเถอะ ค, คือจริงๆเนี้ยอ่าแต่ละห้องเนี้ยเขาเขาลงไปบอกมิติแล้วนะฮะ ลงไปพูดแล้วบอกว่าวิวแชร์เนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่สมควรอม่าไม่สงควรอย่างยิ่งแล้วแบบยังไงมันควรจะมีวิธีจัดการยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละแต่ลูกบ้านแต่ละคนเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะไม่กล้าจะไปอะไรอะไรเงี้ยครับที่นิตติยมีอำนาจอย่างเดียวที่นิตติเขาบอกว่าครับเขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าของใครอืมแล้วเขาก็ไม่เราวเขาก็ไม่ไม่กล้าที่จะเถียงใจเยอะเพราะว่าจริงๆของเนี้ย เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขามาสาดไว้โดยที่เขาไม่รู้หรือเปล่าแล้วจะเป็นผีดีเดียวไปเงี้ยแต่จริงๆแ ล, แล้วนะเอาจริงๆนะคือถ้าตามหลังจริงอ่ะนิติคูรจะเก็บไว้ก่อนเมื่อมีเจ้าขอ ง, ของมาถามค่อยเอามาคืนเขาแล้วอคือไม่มีใครแก้ค่าไม่มีใครกล้าที่จะไปเอาเอามาเก็บไว้ที่นิติไปก่อนผมว่านิติก็กลัวก็กลัวเขาว่าคือจับโอ้โหเอาวิลแชร์มาเก็บไว้ในนิติอ่ะผมว่านิติก็หลอนอ่ะออของใครก็ไม่รู้ มันไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอมีครับมันมีกล้องวงจรปิดกล้องจรปิดป ด, ดูได้เดี๋ยวว่าใครเป็นคนเข็นน้ำมาไว้อ่ะคือเป็นอย่างงี้พี่คือที่คอนโดผมเนี่ยนะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบแบบไฟตก อ, ะอ่ะอ่าพอไฟตกบางทีเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดที่มันก็ต้องใช้สปบตไอ้พลังงานสับหองเนี่ยมันตกตามไปด้วยครับพอมันตกตามไปด้วยมันอาจจะเกิดเหตุแทนในช่วงนั้นก็ได้อืมใครจะไปรู้ใช่ไหมพี่หรือไม่ก็เขาอาจจะเขาอาจจะแบบ ออกมาจากลิฟต์แล้วเขาก็เข้าไปที่ที่เลยครับออกจากลิฟต์แล้วก็เข้าไปที่ในประตูทางออกเพื่อเอาเนี่ยรถเข้าไปวางเลยอืมไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ขี่รถออกมาจากนอกห้องครับ <c oughs> อา่าทางทางเดินเพราะเพราะว่าพวกกล้องจังนทร์ตดของผมเนี้ยมันอยู่ตรงทางเดินหมดเลยอืมเอ่อมันก็จะมีลักษณะที่เป็นมุมอัพมุมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมโอตายแล้วเอาเอาเเอานะในเมื่อหลับได้ไม่ได้สินิติเขาไม่สนใจเราก็ต้องหลับ แต่ก็หลับไปเลยอยากให้ได้ยินเสียงผมว่าเปิดเพลงไว้สัหน่อยฮะเปิดเพลงให้มันคลอหูไว้สัหน่อยคือดีกว่าปล่อยให้เงียบแล้วนอนเดี๋ยวได้ยินเสียงอิ๊ดอิ๊อามาจอดหน้าห้องทําไงอะผมถามหน่อยอะครัดย่าย่าจอดหน้าห้องเลครับเนี่ยผมก็มิวเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยปากดีไงผมเนี่ยเออนะครับถ้าเกิดคุณบอยยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆมาสร้างความหลอนให้กับเดอะโกสเลียดูแล้วครับน่ากลัวครับเรื่องนี้ขอบคุณมากๆนะคุณบอย ขอบคุณพี่แจ็กมากนะครับรักาสุขภาพด้ยพี่เช่นเดียวกันครั บ, ค ร, บครับผมบสวัสดีครับ